และอุเบกขานี้ก็ไม่พึงติดเพราะจะติดเข้าก็จะอยู่แค่อุเบกขาที่เป็นขั้นสมาธิอย่างสูงดังกล่าว เพราะฉะนั้นยึงได้ตรัสสอนไม่ให้ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเสียได้จึงจะก้าวขึ้นสู่มรรคผลนิพพานต่อไป ตามแนวที่ตรัสสอนไว้นี่จึงทําให้เป็นที่เข้าใจว่าวิน ญ, ญาณธาตุนั้นก็หมายถึงกิจนี้เองซึ่งเป็นธาตุรู้ จิตจึงเป็นธาตุรู้รู้อะไรอะไรได้แหละเป็นธรรมชาติที่ผุดผ่องดังกล่าวมาข้างตน้นจิตเป็นธาตุรู้ ทีรู้อะไรอะไรได้นี้จึงกำหนดจิตได้ที่ตัวรู้หรือที่ความรู้รู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่น ยกโดยอย่างเช่นเมื่อตั้งสติกำนดธรรมะที่กำลังอบรมอยู่นี้จิตตั้งอยู่ที่ถ้อยคำที่กำลังกล่าวอยู่นี้ ก็ย่อมรู้ถ้อยคําที่กล่าวอยู่นี้ซึ่งเป็นภาษาและก็รู้ความของภาษาที่กำลังกล่าวอยู่นี้ฉะนั้น ในขณะที่ทาสติกาหนดฟังอยู่จึงรู้รู้ถ้อยคำที่ฟังรู้ความของถ้อยคำที่ฟังจิตจึงอยู่ที่ถ้อยคำที่แสดง ที่ฟังอยู่นี่แต่ถ้าจิตออกไปเสียจากถ้อยคำที่ฟังอยู่นี้จิตก็จะไปรู้ในเรื่องอื่นที่จิตไปตั้งอยู่ สุดแต่ว่าจิตจะไปตั้งอยู่ในเรื่องอะไรก็ย่อมรู้เรื่องนั้นและเมื่อจิตออกไปตั้งอยู่ในเรื่องอื่นหูก็ดับไม่ได้ยินเสียงที่กำลังอบรมอยู่นีเพราะว่าหูนั้นจะไม่ดับได้ก็ต้องมีจิต เขาตั้งอยู่ด้วยหูก็ฟังได้ยินและก็รู้ถ้าจิตออกไปเสีแล้วก็ไปรู้เรื่องอื่นที่จิตตั้งอยู่ดังกล่าวหูก็ดับจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงสำคัญมากแม้หูเองที่ฟังได้ยินนั้น อาจได้ยินไม่ต้องมีจิตตั้งอยู่ด้วยแม้อาจรณะอื่นก็เช่นเดียวกันตาจะูหมกลิ่นกายก็เช่นเดียวกันจะรับรู้อะไรอะไรได้ ตาจะมองเห็นได้ลิ้นจะทราบรสจมูกจะทราบกลิ่นได้ลิ้นจะทราบรสไ ด, ได้ตายจะรู้สิ่งถูกต้องได้ก็ต้องมีจิตตั้งอยู่ด้วยถ้าจิตไม่ตั้งอยู่ด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ดับหมดตาก็ไม่เห็นจมูกก็ไม่ สาบกลิ่นลิ้นก็ไม่ทราบรดกายก็ไม่ทราบถึงสิ่งถูกต้องให้สังเกตดูให้ดีจะรู้สึกได้ดังนี้จิตจึงเป็นธาตุรู้อันเรียกวิญญาณธาตุดังนี้และความรู้ของจิต ดังกล่าวโดยปกติก็ต้องอาศัยทวารทั้งหกคือทวารตาหูจมูกเล่นกายแหละมนะคือใจหรือว่าอาจารณะภายในทั้งหกนั่นเองซึ่งทวารทั้งหกนี้ก็เป็นทวารสำหรับที่ รับอายตนะภายนอกรูปถิงนกลิ่นรสผธพภะและธรรมะคือเรื่องราวแต่ว่าก็มารับกันแค่ประตูทั้งหกนี้เท่านั้นจิตนี้เอง ก็ออกรู้ทางทวารทั้งหกนี้รับเอาเข้าไปสู่จิตโดยเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องเข้าไป เราะว่าอาจตนะภายนอกทั้งปวงที่เป็นวัตถุนั้นคือเป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกทราบรสที่ลิ้นทราบสิ่งถูกต้องที่กายทราบเป็นวัตถุ จะเข้าไปสู่จิตไม่ได้จิตรับสิ่งเหล่านี้อมคือเป็นเรื่องเข้าไปทางทวารทั้งหกนี้ก็คือนับเอาเป็นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องผลิตภัณฑ์เข้าไปนั่นเอง และจิตนี้เองเมื่อรับเป็นอารมณ์เข้าไปสู่จิต <c oughs> ก็ย่อมมีสัญญชน์คือความผูก ซึ่งสัญญาตคือตัวความผูกนี้เองเป็นความผูกพันทางจิตใจและนำให้เกิดความยินดีบ้างความยินร้รยบ้างความรู้สึกเป็นกลางๆบ้างในอารมณ์คือเรื่องเหล่านั้น และก็สุดแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งของอะไรถ้าเป็นเรื่องที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจก็เกิดความยินดีพอใจเป็นที่ตั้งของความยินร้ายก็บังเกิดความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองถ้าเป็นที่ตั้ง ของความหลงก็เกิดความหลงและที่เป็นกลางๆนั่นเองก็เป็นที่ตั้งของความหลงด้วยความยินดีความยินร้ายความหลงนี้ก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปกิเลส เ็เป็นสิ่งที่จอนเข้ามากับอารมณ์ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตเป็นสิ่งที่จอนเข้ามากับอารมณ์ที่เข้ามาทางทวารทั้งหกดังกล่าวมานั้นและเมื่อเป็นอุปเลกอุปกิเลส ข, ขึ้นดังนี้ จิตที่ประพัด ส, สอนคือผุดพองอยู่โดยธรรมชาติจึงต้องเศร้าหมองไปมัวไปไม่แจ่มใสเพราะฉะนั้นจึงเรีวยว่ากิเลส ีแปล ว, ว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทํากิจตานอุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดดูจิต จิตเป็นอย่างจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็ให้รู้จิตมวยโมหะหรือปราศจากโมหะก็ให้รู้ ก็ให้รู้จิตแผ่ไปใหญ่หรือจิตที่ไม่แผ่ไปใหญ่คือคับแคบก็ให้รู้จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งก็ให้รู้จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นหรือไม่มีสมาธิคือไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตที่พ้นหรือไม่พ้นก็ให้รู้ให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้เข้ามาและเมื่อตั้งสติกำหนดทำความรู้เข้ามาดังนี้ความกำหนดดูจิต ก็คือดูที่ความรู้ของจิตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความคิดของจิตดูที่ความรู้ความคิดของจิตเพราะว่าคิดก็กกคือเอง ดูที่ความรู้ความคิดและเมื่อดูที่ความรู้ความคิดก็ยอมจะรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรและยอมจะรู้ว่าจิตมีอารมณ์คือเรื่องที่คิดที่รู้อยู่อย่างไร ด้วยยกตัวอย่างเช่นจิตมีราคะความติดใจ ย, ยินดีก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะคือความติดใจ ย, ยินดีเมื่อตังสติกำหนดดูก็ยอมจะรู้ว่าจิต หรือรู้เรื่องอะไรราคะคือความติดใจยินดีนั้นจิตติดใจยินดีอยู่ซึ่งอะไรในอะไรเช่นในรูปในเสียงที่น่ารักใครปรารถนาพอใจที่กำลังคิดถึงอยู่เกี่กำลังรู้อยู่ และเมื่อจิตมีอารมณ์อยู่ดังนี้ก็ติดใจยินดีเป็นตัวราคะขึ้นมาโทสะก็เหมือนกันจิตโกรธก็ให้รู้ว่าจิตโกรธแล้วมาดูเข้ามาที่จิตโกรธก็ยอมจะรู้ว่าโกรธเรื่องอะไรยอมจะรู้อารมณ์อันเป็นตังของความโกรธนั้นด้วย และนอกจากนี้ย่อมจะรูปพลังด้วยเห็นราคะติดใจยินดีมากหรือน้อยโทสะกรดแค้นขัดเคืองมากหรือน้อยรูปพลังด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อกําหนดดูอย่างนี้จิตกับอารมณ์ที่ผูกกันอยู่ <c oughs> กับกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นอยู่ก็ย่อมปรากฏอยู่ในความรู้ ซึ่งเป็นตัวสติที่กำหนดดูตัวสติที่กำหนดดูนี้จึงเป็นผู้ดูส่วนจิตกับอารมณ์และกิเลสที่กำลังประกอบกันอยู่รงกันอยู่เป็นไหวถูกดู เพราะฉะนั้นไยที่ถูกดูนี้จึงเป็นเหมือนอย่างการน่เล่นสติที่เป็นผู้ดูก็เหมือนอย่างเป็นผู้ดูการน่เล่นการปฏิบัติดังนี้จึงเท่ากับเป็นการปฏิบัติแยกจิตนี้เองออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ดูกับส่วนที่ถูกดูและเมื่อแยกกันออกมาได้ดังนี้แล้วก็เป็นผลของการปฏิบัติขั้นหนึ่งและเมื่อได้การปฏิบัติขั้นหนึ่ง คือแยกออกมาเป็นผู้ดูและเป็นผู้ถูกดูดังนี้ก็จะได้ผลของการปฏิบัติขั้นสองต่อไปคือไฟที่ถูกดูนั่นจะอ่อนกำลังลงจนสงบไปหายไปผู้ดูนั่น ก็จะเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นในสิ่งที่ดูตั้งตนจะจะมองเห็นจิตของตัวเองที่เป็นฝ่ายถูกดูจึงกำลังรักกำลังโกรธจะเห็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรักความโกรธจะเห็นจิตผูกอยู่ ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรักความโกรธนั้นไม่หลุดไปจากจิตแล้วก็จะรู้จักว่าตัวที่ผูกอยู่นั่นคือตัวสัญญน์ที่แปลว่าผูกกับตรงนี้เองคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของรักของชังนั้นผูกอยู่กับจิตจิตผูกอยู่กับอารมณ์นั้นจึงรักจึงชงังก็เป็นความที่ปรุงแต่งกันไป เมื่ออารมณ์มันเป็นที่ตั้งของความรักมาผูกอยู่ที่จิตจิตผูกอยู่ที่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรักนั้นก็ปรุงแต่งไปวัาน่ารักอย่างนั้นน่ารักอย่างนี้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอารมณ์มันเป็นเป็นที่ตั้งของโทสะผูกอยู่จิตก็จะปรุงแต่งวนรนาชังหน้าโกรธอย่างนั้นอย่างนั้นจะมองเห็น จะมองเห็นว่านั่นเป็นตัวผูกเพราะผูกนี้เองทีงทำให้ปรุงปรุงรักปรุงกโกรธขึ้นมาและเมื่อเป็นเป็นผู้รู้ผู้เห็นดังนี้ชัดขึ้นความผูกนั้นก็จะหย่อนคลายไปกําลังของความปรุงแต่งของจิตก็จะหย่อนคลายไปจนเมื่อ จิตกับอารมณ์ที่ผูกกันอยู่นั้นตัวผูกหลุดไปจิตกับอารมณ์ก็แยกออกจากกันเมื่อจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันความปรุงแต่งก็หยุดหยุดปรุงแต่งรักหยุดปรุงแต่งชังหยุดปรุงแต่งเส้อเมื่อใดแล้วความรักความชังก็สงบหลุดกินแค่นั้น สติซึ่งเป็นผู้กาหนดกำหนดดูกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่นั้นก็รู้ก็เห็นแล้วก็เป็นรูน้ตั้งแต่ยังปรุงแต่งอยู่จนถึงความโผกหลุดออกจากกันหยุดปรุงแต่งสงบก็รู้อยู่กับความสงบดังนี้เป็นการปฏิบัติ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 ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม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 วจิตและสับอื่นอิให้ในความหมายใกล้เคียงกันเพื่อมือฟังธรรมมัรยาย จะได้มีความเข้าใจตัดกังขาความสงสัยคำว่าจิตนั้นมีคำอื่นที่ใช่ ใกล้เคียงกันอีกสองคำคือวิญญาณและมโนโคือใจพิจารณาดูตามพระสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงจิตนั้นตรัสไว้ว่ามีลักษณะดังที่ได้ ก, กล่าวแล้วและ ได้ตรัสสอนให้ฝึกจิตให้อบรมจิตจิตให้รักษาจิตให้ตามดูจิต และตรัสว่าจิตที่รักษาดีแล้วนำความสุขมาให้และยังได้ตรัสถึงความอบรมปฏิบัติธรรมะ เป็นไปตามลำดับว่าสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มาก อันปัญญาอบรมแล้วยอมพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือพบอาสวะคืออวิชชา กล่าวง่ายๆก็คือศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตได้รับอบรมดังนี้ก็พ้นอาสวะ